จติภิกขเวดุขังอริยสัจจังดุขังอริยสัจจังเป็นไงพูดดีการไม่คล่องกันมุบมั่มุบมั่บมั่ตามเหรอ เราไปยังอ่านผิดอยู่ะนะสาบสรีอ่านไม่ออกอีกยากอีกอะ่ะสาดังเดิมส่งไว้สาดังเดิมสมับรีมันมีมันไม่ยากหรอกสมับรีเห็นเป็นเรื่องยากอะไรมันก็ยากหมดแล้วอะไรมันก็ดูมันจะร่วงหมดนั่นแหละ เห็นเป็นเรื่องยากนะฮะอืมอะไรมันก็ยากหมดเห็นเป็นเรื่องยากนก้องเคยากอันนี้เคยยากไม่รู้อะไรง่ายเขไม่รู้หายใจฟอดฟอดเขเป็นของยากอันนั้นมาขัดอันนี้มาคล่องอันน้นมาคา มันง่ายสักอย่างที่ไหนเดี๋ยวก็เป็นน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ปวดเสียนเวียนหัวอยู่นั่นแหละมีอะไรยากมีอะไรง่ายสักอย่างมันก็มีอะไรง่ายหรอกง่ายแต่กิเลนมันง่ายมันง่ายเพราะมันมักง่ายกิเล่มันมักง่าย มันง่ายเพราะมันมักง่ายมันมักง่ายคือมันชอบง่ายชอบอยู่ไม่ง่ายเจอบอยู่สบายสบายกิเลสชอบง่ายงนั่นแหละลอยไปตามกระแสอะไรก็ไม่รู้เละทุบปองทุบปองทุบปองทุบปองลอยไปตามหน้าของความกิเกียสที่คล้านั่นแ่ะ ลอยทุปอ ง, ปองตุงปลาตา ย, ยนะเอาอะไรมาสํารวมระวังขึ้นชื่อว่าปฏิบัติต้องสํารวมระวังขึ้นเชื่อว่าปฏิบัติต้องสํารวมระวัง ใจมาสำงรวมเอาสติมากำกับใจสำงรวมใจสำงรวมด้วยสติความระลึกได้ความระลึกรู้ความระมัดระวังความจดบจอ่อความไม่มัดง่าย ว่าไม่มักสะดวกไม่มักสบายแต่หากมันสะดกสบายโดยธรรมโดยความชอบธรรมของมันเมื่อเราทําไปแล้วมันได้รับความสะดวกสบายเพราะมันเป็นธรรมมันชอบธรรมสิ่งที่มันไม่ชอบทำพทำอทําลงไปแล้วทุกตามหลังละเดือดร้อนตามมาแล้วุป๊ปุ๊บ ป, บ ป, บ ป, บปบุตามมาแล้ว ใจหมือนเตี้ยวพรากไปแล้วพรากไปแล้วนั่นคือมักง่ายคือชอบง่ายชอบสบายคอยได้ย่ังใจคอยได้ย่ังใจได้ยู้ได้ย่ังใจทุกข์หนักหนาสาหัสแก้ยากรื้อยากฟื้นยาก ทุกมันมัดคอทำไมทุกถึงมัดคอเพราะมันมักง่ายนี่แหละมักสโดมัดสบายนี่ละขอให้ได้อย่างใจขอให้ได้อย่างใจก็มัดคอต่อมเหตุผลไหมไม่มีเหตุผลเมื่อพูดถึงเหตุผลถ้าขอให้ได้อย่างใจเลยไม่ต้องพูดถึงเหตุผล มันไม่ชวนให้คิดเรื่องเหตุเรื่องผลขอยสมใจอยากขอยสมอยากขอยสมอยากตัณหาท้งนั้นการสำรวมระวังคือการสำรวมระวังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แหละการตั้งใจปฏิบัติต้องสำรวมระวังไม่สำรวมระวัง เอาอะไรมาปฏิบัติไม่มีเปลือยเปล่ามีเรื่องของธรรมสติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌง์ธรรมวิจยะสัมโพชฌง์วิิยะสัมโพชฌง์ ปีติปัตสัิสมาธิกอเบคาสัมพวดชมเจีสัมพุชมทั้งเจรสอแสดแทรกไปตรงไหนมันจะขาดสติไม่มีสติต้องนำหน้าองแห่งความรู้องแห่งการตรัสรู้สัมพุทชมสัมพุทชมงแหง ผู้รูอง์แห่งความตัดสสติต้องนาหน้าสติกำหนดจดจ่อวิธรรมวิจยะสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมเอาอะไรมาสอดส่องเอาสติเอาปัญญาอนะไรมาสอดมาส่องอะไรเป็นอักอะไรเป็นธรรมเอาสติมาสอดส่องสอดส่องธรรมด้วยปัญญา จะเห็นอัดแจมแจ้งชัดเจนด้วยปัญญาอัดก็คือความหมายของธรรมะความหมายของธรรมะท่าเรียกว่าอัดจะเห็นอัดแจมแจ้งได้ด้วยปัญญาความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีเพราะไปกํากับไปจดจ่อทิ้งสติได้ไหมทิ้งสติไมยได้ สติกำหนดจดจ่อตามอย่างนั้นธรร ม, มวิยยะสอบสองทางสอสองทางคือควนควาธรรมดูแลงธรรมพลิแ้แปรธรรดูเหตุปัจจัยของมันดูเหตุดูผลของมันวิริยะปีติวิรยิรยะภาคเพียนกำหนดจดจ่ออย่างนั้นปีติจะหยเด่นด่ได้รับความอิ่มอกอิ่มใจปัจสัธิ สมาธิก็อยู่ในนั้นอุอเบกขาไปอยู่ในนั้นอุเบกขาคือไม่ยึดเข้ามาไม่ผลักออกไปมีสติข<ม>องเราจดจอ่อทำงานอยู่นั้นไม่ใช่ทำเฉยๆไม่ดูเฉยๆดูเพื่อพลิแ้แปลหาข้อเท็จจริงนั่นเองมันสติอุเบกขา สติโกเบขาคำว่าโกเบขาหมายความว่ามันรอดผ่านแล้วมันรู้รอบผ่านแล้วมันก็วางเฉยไม่ยึดเข้ามาไม่ผลักออกไปแต่รู้รอบหมดไม่ปักออกไปไม่ยึดเข้ามาคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้าย อะไรทผ่านตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักตวา่าเห็นสักตวา่าได้ยินสักตวา่าได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสสักตวา่าสักตวา่ามีสติกำลัเจดจ่อวางเฉยไม่ยึดเข้ามาไม่ผลักออกไปตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้ แต่ถ้าปล่อยให้ยินดีเกิดขึ้นยินร้ายเกิดขึ้นตัณหามันแทกเข้ามาแล้วมันสวมรอยเข้ามาแล้วตัณหาเกิดขึ้นมาและในมโนใจดวงนินนสติกำลังจ อ, จ อ, จอวางโกรอยู่นั้นเฉยรู้อยู่ยม่เฉยเสบื้อซื่อเฉยรู้อยู่ม่ยึดเข้ามาไม่ปลักออกไปสติสามพจชน เวลาทำงานมันก็เป็นก้อเป็นแท่งัานเดียวกันทั้งหมดนั่นะเป็นข้อเป็นแท่งัานเดียวกันเราสวดโทชวงเราก็สวดทุกข์ธมวิจิตสอดสองธรรมสอดอสอดสองอะไรสอดสองธรรมก็สอดสองกองทุกข์่ละกองทุกข์ที่เราสวดอยู่ทุกข้างอริยสัจจัง ทุกรวมยอดทุกรอบยอดรวมยอดของกองทุกก็คือยึดมั่นถือมั่นในขันต่งางปัญจุ ป, ปาทานขันฐ า, น ท, านทุกขานโรภู ป, ปาทานขันโทอุ ป, ป, ปาทานในรูปยึดเอาโรคบรรูปเรารูปของของเรามไม่ใช่มันเฉยเลยมันยึดเพราะความทุกยึดกองทุก ท่านจึงให้รู้ให้กำลังรู้ให้กำลันดูตมันพายดโโปปาาึดรูปรูปูปาราคันโทจุดรูเวรานูปาราคันโทมันพายึดเวทนามันพายึดสัญญาสัญญูปาราคันโทสังฆารูปาราคันโทวิญญาณูปาราคันโท ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดปัญญาตั้หามันฝ่ายึดถ้าตั้หามฝ่ายึดแสดงว่ามันยินดีแล้วก็มันยินร้ายเข้าไปใส่ในหัวใจดวงนั้นแล้วเราพิจารณามันเข้าไปยึดจะไงเอาสติมาทํางานมันขัดมันทำหน้าจื่อๆทำเะวิชยร์สอดสเข้าไปสอดส่องทจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นผพุทธธรรมาน ทั้งติทั้งสัมธรรมวิเชยะวิริยะความสนใจความสอดรู้สอดเห็นเห็นความสอดในการจัดการจัดงานเหล่านะั้นวิริยะสอดไปสอดมาสอดไปสอดมาสอ่องไปสองมามันแทรกเข้ามาไม่ได้อินมบอกอิ่ใจเอออิ่มเห็นพฤติกรรมเห็นกิรยิยาอาการของธรรมะเหล่านะั้นก็ปีติ ปัจจัตติสงบแนแน่น่นั่นะสมาธิอุเบกขาปััิสงบสมาธิตั้งมั่นแนบนแน่นอุเบกขาเฉยรู้หมดแล้วไม่ใช่เฉยเบเฉยรู้หมดแล้วรอบหมดแล้วโตรอดหมดแล้ว กายสัพตวกายเวทนาสัพตวเวทนาสัญญาสัพตวสัญญาสังขารสัพตวสังขารวิญญาณสัพตววิญญาไม่ยึดสักอย่างถ้ามันไม่ยึดอะไรมันก็ไม่ยึดแต่ถ้ามันยึดมันก็รวกเอาทั้งหมดเลยแหละยึดอุปาทานความยึดปล่อยให้ปัญหามันเข้าสิงหัวาใจของเรามันยึด เอาสติตัวเดียวมากำกัรูอยู่ทำ ง, งานสติทำ ง, งานส่องสว่างสวายอยู่นั่นโจรมันไม่กล้าเข้ามาอสาระพิษมันไม่กล้าเข้ามาตัณหามันไม่กล้าเข้ามาความโลภถ้าจะยึดเข้ามามันก็เกิดไม่ได้ความโกรธเพราะ มีนุ่นมีนี่มาขัดมาคล้องมันก็ไม่มี yeah. มีแสงสว่างที่ไหนอสรพิษห่างไกลที่นั่นมีสติธรรมมีปัญญาธรรมสอดสอ่สองมาที่จิตัองเราตันหามันก็แทรกเข้าไปไม่ได้สรพิษเดอคือโรคนี่แหละความโรคความโกรธความหลงนี่แหละคลอปรักมืด สรพิษเข้าไปเต็มอัดแน่นนั้นตรงไหนเป็นที่มืดมันมืดทึบๆหลบๆ ล, ลี่ๆเป็นที่หลบเป็นที่ลี่าสารพิษกองเต็มอยู่ในนั้นใจช่วงไหนขนาดไหนมืดมันทึบถูกอวิชามเาเครอบหขาดความสังวรสารวมระวั ง, ง, งวิชามันก็เคราะ วิชามมืดมืดแล้วก็มายึดครองเลยล่ะมายึดครองจิตดวนั้นไม่มีโอกาสจะรู้ทันอะไรสักอย่างเลยมืดคลุมมืดตึ๊บไปหมดเ่ะอะไรโผล่ขึ้นมากวามาอะไรโผล่ขึ้นมาความากอะไรโผล่ขึ้นมาความากมันไม่ได้เห็นโทษไม่ได้รู้ไม่ได้กำหนดจดไม่ได้สองไม่ได้พิจารณา ไม่ได้สารวมไม่ได้ระวังไม่ได้สังวรไม่ได้ระวังว่าอะไรมันใช่ทั้งนั้นถ้าเป็นสังวรสำรวมระวังว่าอะไรใช่ทั้งหมดโอ้เป็นสติโอ้เป็นธรรมวิทยากาจัดจอธรรมะอยู่นั่นว่าวิทยะว่าปีติอะไรมันเกิดอยู่ในนั้นทั้งหมดยึดไม่ได้ มันครอไไ ก, กไม่ได้มันก็ยึดไม่ได้ก็าจะว่าวางเฉยก็วางเฉยเพราะรู้ทั่วหมดแล้วว่าน้่นเป็นโทษนั้นเป็นโทษนั้นเป็นโทษนั้นเป็นโทษรู้เวทนาก็เป็นโทษจอดูแล้วคลี่คลายจอดูแ ล, ลกล็คลี่คลายจอดูแลก็คลี่คลายคลี่คลายก็คือสอดสอง่งธรรมธรรมะวิจยัย สอดส่งทําคลี่คลายดูจ่อเอาอะไรม่จ่อสติดมาจ่อเมื่อเราส่งดูละคลี่คลายส่งดูละคลี่คลายส่งดูละคลี่คลายพุทธิกรรมกายของเราพฤติกรรมใจของเราพฤติกรรมใจของเราเป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ละเอียด สำคัญว่าการตั้งสติอย่างไรตั้งหล้มตั้งหลักล้มตั้งหลักล้มหนึ่งเทวนาชั่วโมองสองชั่วโมองมันอยู่ได้สักกี่ขณะชิตกัไปหนึ่ตั้งหลักล้มตั้งหลักล้มความเพียรไม่ต่อเนื่องความสนใจไม่ต่อเนื่องซ้ำซรวมระวังไม่ต่อเนื่องประคับประคองไม่ต่อเนื่อง ขาดความสนใจมันมีต่อเนื่องมันก็ขาดขาดผู้ทํางานขาดผู้ควบคุมงานขาดผู้กำกับงานงานมัอนอะไม่ต่อเนื่องพักแล้วมันดึงไปแล้วพักแล้วมันดึงไปแล้วไปกีทเวีบก็ไม่รู้เละนี่วอร์มันดึงไปดึงไปเรื่องรักเรื่องชัง ดึงไเรื่องรักมีวอลมันดึงไปมีสิ่งนี้สิ่งนี้มาแสดงมาทำผลงานเฉไรมาได้แล้วมันขวางงานของเราทุกทีใช้จิต ส, สงบไม่สงบไมได้มันมีตัวนี้มาขวางนะดึงไปแล้วไปทำงานให้กับตันหาดึงไปแล้วไปทำงานให้กับตันหาความรัก ความชอบใจมันดึงไปชอบอะไรอะไรกําลังติดค้างอยู่ในหัวใจอยู่อันนั้นแหะมันดึงไปความรักไม่ดึงไปก็ความชังมันดึงไปอารมณ์ที่มันค้างอยูนะ่อารมณ์ชักอารมณ์รักไม่โผล่ขึ้นมาอารมณ์ชังันก็โผล่ขึ้นมาความไม่ชอบใจมีชอบใจมีไม่ชอบใจเราทำหรือไม่เราต้องทำ เรากำลังจะจ อ, จอทํางานอยู่เราต้องทำถ้าไม่ทำก็ดึงไปหมดจิตสงบไม่ได้นั่นแหละรุดไปแล้วไม่ต่อเนื่องคาดช่วงไปแล้วรุดออกไปแล้วพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอเผลอไปพุโทพโธแต่ปากเนื้อแท้ของจิตมันเอามัไปฉลุแล้วมันไม่อยู่จอ งให้ละเอียดให้หลอ่อดีอยู่ได้ปลกุกผู้รู้เข้ตื่นรูตื่นขึ้นมาเขาก็อยู่ปลุกให้ตื่นอย่างเดียวเขาอยู่ปลุกให้ตื่นอย่างเดียวก็อยู่เสตินะมางปลกุกสัมมิชนญาณนะมังปลกุกความภาคความเพียรประคับประคองความตื่นโรูยืดเป็นช่วง ย, ยาวๆให้มันขาดเชื่อมหุดทงุด ก็เหลือก็ง่วงนอนอีกนี่มันขวางอีกง่วงนอนไม่ง่วงนอนแบบฟุ้งซ่านนี่ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละมายุ่งไม่จ่อไม่ดิ่งจิตไม่จ่อจิตไม่ดิ่ง ใจไม่จอ่อใจไม่ดิ่งทิ้งคำบริกรรมอีกตัางหาทิ้งคำบริกรรมอีกตัางหาทิ้งพุทธโธเอาอะไรไมาอยมันก็เอาไปเป็นเมือขนขค้น่องรางมันหลังในสงสัยบาปเป็นไงบุญเป็นไงมีจริงหรือเปล่ามรรคผลิพานมีจริงเหรอหลังในสงสัย พระเจ้าบัตรจริงหรือเปล่าเป็นคาสอนของท่านจริงหรือเปล่าหลังเลสงสัยมันชวนทำให้เราหลังเลสงสัยได้เรื่องน้ไม่ต้องมาจิตสงบโลแล้วก็ไปสอดส่องทมพิจารณาแยกแยะให้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นนั่นเห็นคุณเห็นโทษเรหมันไม่ต้องพูดถึงนั้นแหละพราะมันตั้งตัวยังไม่ได้จิตยังไม่ตั้งมั่น มันไม่เกิดความมุสาพยายามดอกตั้งอกตัง้งใจมุสาพยายามพระประกองสร้างเนื้อสร้างตัวเข้าไปขยับไปดอกบวัวดอกเดียวนี่แหละเส้ น, น, นเดียวนั่นแหละขยับไปให้มันโผล่เข้าไปโผล่อข้ไปยืดเข้าไปยืดเข้าไปยืดจากที่ตรงที่โคลนยืดยืดยืดไปเรื่อยบัวสีเหลวในคนคนเดียวนี่แหละยายมยืดจากที่ที่ตรงที่โคลนไป ถ้าภาวะแบบนั้นมันยังเป็นอยู่ในจิตงเราเราอุตส่าห์พยายามยืดตัวเองออกไปพัฒนาตัวเองยืดตัวเองอย่างน้อยๆก็ยืดไปเรื่อยพ้นขี้ตองพี่โคลไปอยู่กลางน้ําเหมือนจะพ้นอาหารพ้นเหยื่อพ้นความเป็นเหยื่ออาหารเต่าอาหารปลานลยยืดไปจนเสมอน้ํายืดเข้าไปจนโผล่น้ําดอกบัวดอกเดียวนี่แหละดอกใจของเรานี่แหละ อุปมามาอย่างนี้ได้ประโยชน์ไม่ปล่อยให้จิตใจของตัวเองเ mm. น, น่าเฟะจมคิดรมคิดโคลนยังปรับปรุงแก้ไขอุตสาพยายามตยืดไปจากลง บ, บนราแนวนี่แหล ะ, mm. ะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวใช้ความบดความทนไม่ลืมตัวโตวลืมตัวได้ไง ไปนั่งคุยกันเสียเว ล, เวลามากมาย ม, ายมหาศาลเยอะาทำไมไม่เสียดายเวลลืมเนื้อลืมตัวสเพระคุยสเพระเอาพฤติกรรมที่ทำลายตัวเองไปใช้หมดเว ล, เวลาไปได้อะไรยอมเป็นบัวจมขี่ตรงขีโคลนเน่าเฟะอยู่ในขี่ตรงขิโคลน เสร็จแล้วเราจะโทษใครต้องโทษตัวเองนะทําอะไรก็ให้มีสติมีสัมผัสชัญญะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยสติด้วยสัมผชัญญะตลอดแบบนี้มีวิธีทำดตัวเองก็ทำดีตัวเองไม่ได้เพราะเราสร้างเนื้อสร้างตัวสั่งพยายามตลอดจับจบจดจดทอ ด, ท, อดทิ้ง คุยวอเป๊ะเป๊ะวอกเป๊ะเสียหายเสียเวลาเสียจิตเสียใจเอาอะไรมาดีในเมื่อเราไม่รักดีเอาอะไรมาดีรักดีรักถูกรักธรรมรักสมงบรักวิเวทตรงมันท้ามแล้วโอ้ทำลายตัวเอง ให้ใครมาบ่นมาเพ้อเสียดลงเสียดายเวลาเวลาให้ใครมาบน่นถ้าเราให้บน่นให้ใครมารับผิดชอบถ้าเราไม่รับผิดชอบหัวใจของใครของใครรับผิดชอบเอาสรนึกสร้งตัวเอายอมจมก็เป็นคิดตรงไปโคลนเน่าเปะจริงๆพยายามปรับปรุง เห็นคุณค่าของสติของสมาชัญญั่เห็นคุณค่าของเวลาเห็นคุณค่าของความวิเวกความสงบคุณสมบัติเหล่านี้ถึงจะมันจะมาเกาะหัวใจของเราหรือบ้างถ้าตรงกันข้ามไดเอากกอะไรมาเกาะไม่มีอยู่อย่างสบายยงอย่างมักง่าย อยู่อย่างสรดวสสบายอยู่อย่างมักง่ายมันก็ได้ผลแค่นั้นแหละมันไม่ได้ผลเกินนั้นมันคืนลงไปก็เท่าเดิมดีไม่ดีเล็กก็เดิมเน่ากว่าเดิมถ้าเพื่อส่งกลิ่นก็ส่งกลิ่นมากกว่าเดิมความเพียรอย่างเดียวสร้างน่าสร้างตัวได้ ความไม่ลืมนลืนความไม่ลืมตัวความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีความมุ่งมั่นที่จะเอาดีฟิตตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ลืมตัวไม่ลืมนล่นไม่ลืมตัวยืนเดินนั่งนอนไม่ลืมตัวไม่ทิ้งกิริยาของความเพียรไม่ทิ้ง กิรยาของความภาคความเพียงไม่ทิ้งทิ้งแล้วจะได้อะไรอาแต่ความขี้เกียจอีกคราหนึ่งแหละความเพียรเราขัดข้ามก่อความขี้เกียจอีกคราทิ้งความเพียงแล้วแวตบตกใส่นั้นเลยแหละนยังมันเฟะยังมัน ได้ยังใจขอให้พอใจขอให้ถูกใจผิดศีลผิดธรรมผิดไรไม่ว่าขอให้ถูกใจเนี่ย ย, ออยังไงดีอยู่อย่างสร้างเงาสร้างตัวอยู่อย่างปลาเป็นทวนกระแสน้ําเสมอตรงกันข้ามปลาตายลอยตู้ปองตู้ปองตู้ปองตู้ปอง ตื่ดไปเรื่อยเน่าไปเรื่อยๆจะจิตกองสวะในนั้นมีทังของเน่าแั้วนั่นนะดูให้เห็นภาพผลที่เราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองอ่อเท่านี้แหละ ว, วันนี้ <c oughs>